ในบรรดาอริยสัจเนี่ยน ะ, ะทุกขสั์ก็คืออุปาทานขันธ์ห้าอุปาทานขันธ์ห้าอย่างรูปขันธ์รูปขันธ์ก็วิธีการทำปริญญานั้นกายานุปัสสนาทั้งสิบสวิธีนั่นแหละเป็นวิธีการทำปริญญาตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้นั่นแหละ เพราะคำว่ากายนี่ก็คือเป็นที่รวมเป็นที่ประชุมเป็นที่รวมเป็นที่ประชุมของอะไรก็คือของภูตรูปและอุปาทายรูปหรือเป็นที่รวมของอาการส2มสสองมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นกายเนี่ยนะที่เป็นที่รวมแห่งอาการส2สองหรือเป็นที่รวมของภูตรูปและอุปาทายรูปแทนการ ที่เจรณากายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญนั้น น, นนะพระองค์สอนให้เจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาโดยที่มีกายเป็นอารมณ์อันเบื้องแรกผู้ที่มีความดําเรศพล่านคิดมากตรึกเยอะคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดไปไม่มีที่หยุดหย่อนเนี่ย น, นะพวกนี้ก็มานั่งรับลมเพื่อให้มันผ่อนคลายเบากายเบาใจบ้างเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเนี่ยนะ การกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจึงเป็นเป็นการเจริญทั้งสมถะวิปัสนาควบคู่กันไปโดยที่มีมีวายโยธาตเป็นอารมณ์นั่นะนะซึ่งผู้ที่พิจารณาวายโยธาตอย่างไงก็ต้องรู้แจ้งแทงตลอดพลาดอื่นๆอยู่แล้วนั่นะนะซึ่งไม่สามารถรู้ลมโดยที่ไม่รู้ปฐวีอาโปเ ต, โ, ตโชได้นั่นะนะนะก็ต้องรู้ทั้งทั้งหมดนั่นแหละ แต่ว่ายกธาตุลมขึ้นเป็นประธานอันผู้ที่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอโดยส ม, มะถะก่อนเนี่ยนะเพื่อให้จิตสงบประงับหลังจากนั้นก็ทำปริญญาพิจารณาเกี่ยวกับลมทั้งหลาย <c oughs> เมื่อพิจารณาลมดีอย่างนี้แล้วนะซึ่งผู้ที่พิจารณานั้นก็ต้องต้องรู้ว่าธาตุลมเนี่ยนะมันจำนวนธาตุลมนี่มีอยู่6ประเภทด้วยกันใช่ไห ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในช่องท้องลมในลใําไส้ลมพัดทั่วสารพางกายเนี่ยนะแล้วก็ลมหายใจเข้าออกลมพัดทั่วสารพางกายเนี่ยเป็นธาตุลมที่ทําให้เกิดการยืนเดินนั่งนอนแม้กระทั่งคูเหยียดเป็นตน้นการพิจารณาจิตชาวาโยอ่าซึ่งเป็นสมุตฐานเป็นต้นเหตุให้กายนี้ยืนเดินนั่งนอนเป็นไปได้ ก็พกพิจารณาแยกแยะได้อย่างละเอียดพวกนี้ก็เป็นการเจริญอิริยาบถบัพะก็ยังอยู่เนืองในการพิจารณากายทีนี้กายนั้นโดยอิริยาบถมันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ใช่ไหมเป็นเรื่องทนับว่ายอบถ้าลงละเอียดมาก็คือการไปการมาการแลเหลียวคูเหยียด น, นะกินเด่มเคี้ยวเลี่ยมการนุ่งการหม่มการหยิบการถือภาชนะ การพูดการนิ่งการถ่ายอุจารปัสสาวะนะยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งท่านพวกนี้ก็คือความเป็นไปของของรูปทั้งหมดนั่นแหละคืออย่าลืมว่าการเจริญสติปัฐานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนั้นนะก็คือเน้นให้แสดงเอ่อเน้นแสดงการพิจารณาร่างกายของเราทั้งหลายนั่นแหละพิจารณาร่างกายของตัวเองนั่นแหละ น, นะเป็นหลักอ่ะนะถือิถือการพิจารณาร่างกายตนเองเป็นหลัก เือการพิจารณาข้างนอกเป็นรองแต่ก็ไม่จำกัดเจาะจงเฉพาะภายในหรือภายนอกเท่านั้นเพราะพระองค์สอนให้พิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอก <c oughs> <c oughs> คงพอทบทวนในาการพิจารณากายถ้าทำปริญญาแบบสติปัฏฐานเนี่ยนะก็คือขึ้นต้นด้วยลมใช่ไหม เพราะคําว่ากายกายดังที่กล่าวเมื่อวานว่ากายนี่เป็นที่รวมแห่งกายเนี่ยนะเป็นที่รวมแห่งมหาพูดกับอะไรกับอุปาทายรูปเนี่ยนะคือรูปที่อาศัยมหาพูดทีนี้ในบรรดามหาพูดก็มีปัทวีอาโปเตโชและวาโย ο. ในบรรดาวาโยเนี่ยนะวายโยข้อสุดท้ายคือลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะนผู้ที่กําหนดลมหายใจเข้าออกจเจริญได้อย่างนี้เรียกว่าจเจริญอานาปานสติก็คืออยู่เนื่องในกายานุปัสนา่นั่นเองอผู้ที่กําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะะที่จะปฏิบัติเพื่อความสิ้นวัตถทุกเนี่ยรู้ลมอย่างเดียวไม่บรรลุหรอก รู้แต่ลมอย่างเดียวนะไม่รู้อย่างอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้นั่นแหละเหมือนกับอย่างว่านะก็บอกว่าเห็นแต่จมูกไม่เห็นหน้าไม่เห็นปากไม่เห็นตาเลยมันก็พูดอย่างนี้ก็เกินไปอีกใช่ไหมเห็นแต่จมูกก็ต้องเห็นก็เห็นทั้งหน้านี่แต่ยกเหมือนกับว่ายกจมูกขึ้นมามาก่อนนั่นะนะก็อย่างอื่นก็ชื่อว่าพูดแล้วในเมื่อพิจารณาลมหายใจเข้าออกทีนี้ก็มีลมอันอื่นอีกเรียกว่าลมพัดทั่วสารพ่างกายนั่นนะ ลมพัดทั่วสารพางกายไอ้ลมพัดทั่วสารพางกายนี่แหละมันทำให้เกิดอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนธาตุลมพวกนี้นะถ้าไม่มีลมตัวนี้เนี่ยการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีไม่ได้ถ้าถ้าว่าไปแล้วนะในบรรดาปฐวีธาตุทั้งหมดมีเท่าไหร่ 20อาโป12 cho, 4, o, นเตโช4ี่วายโยหกนี่พันธะนับรวมกันแล้วจะได้42อพูดลมหายใจเข้าออกเนี่ยพูดข้อที่42ลมพัดทั่วสารพางกายนี้41นเนี่นะค่อยๆไล่ลงมาอย่างนี้จะเห็นเมื่อพิจารณายืนเดินนั่งนอนเนี่ยเกี่ยวกับการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันก็มีอะไรมีแบบขาไปกับ มาเห็นอะอ่พวกนี้จะเป็นบับพาที่สามเพราะว่าบับพาที่สามก็ยังอยู่ในประเภทลมพัดทั่วสารพางกายซึ่งอ่าอาศัยจิตชะวายโยธาเป็นหลักเจิตชะวายโยธาเป็นหลักที่ทำให้อ่ากายทั้งหลายเนี่ยพัดพัดเคลื่อนไหวเนี่ยนะ ก็มีไปมีมาใช่ไหมเมื่อมีมามีไปลแล้วไปามาทำไงอีกก็แลเหลียวแล น, นี่แปลว่าอะไรมองตรงตรงแลเหลียวคืออันนี้เรียกว่าแปลให้สวยงามตามหลักภาษาเพราะถ้าถ้าแปลมองตรงกับมองเอียงเอียงเนี่ยนะอาจจะยังไม่คุ้นเนี่ยนะก็เลยแปลเป็นแลกันเหลียวแล้วก็ต่อไปเีกเมื่อแลเหลียวกำไนก็คู่เหยียด คูเหยียดนี่ก็ยังอยู่ในจิตชาวายโยนะตัวนี้เป็นกิจกรรมของจิตชาวายโยเป็นหลักเมื่อคูเหยียดก็การอะไรก็การแต่งตัวใช่มอ่านะก็ว่ารวมๆเลยนะแต่งตัวเรียกว่านุ่งหม่ม อ, อะไรนุ่งหม่มจีวรซ้อนสังคาติถือบาทเนี่ยนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวแล้วก็พอแต่งตัวเสร็จก็กินดื่มเขี้ยวลิมเนี่ยนะ กินดืมเคลื่อิ้มเสร็จก็ห้องน้ําทั้งหลายถ่ายอุจาระประสัสสาวะแล้วก็รายละเอียดปลีกย่อยใช่ไหม ย, ยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งยืนเดินนั่งหลับตืนพูดนิ่งพวกนี้เป็นรายละเอียดย่อยๆเล็กๆน้อยๆ น, ยนะซึ่งไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับ อิริยาบถเรียกว่าพวกนี้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยพวกนี้เป็นอิริยาบถใหญ่พวกพวกนี้นะพวกนี้เป็นอิริยาบถขนาดกลางอันนี้พวกนี้ขนาดเล็กหรือขนาดย่อยมา้งนั้นฮะซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนั้นจิตชาวายโยธาเป็นเป็นหลักใช่ไหมดังนั้นการพิจารณากายเนี่ยนะ ก็ดังที่กล่าวว่ากาเยเกกายานุปัสสีก็คือพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นก็เป็นบุคคลที่สามารถจาแนกจาแนกธาตุที่อยู่ในภายในเนี่ยมาพิจารณาโดยประการต่างๆนยมาพิจารณาโดยประการต่างๆมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นหรือพิจารณาแล้วให้เห็นอย่างน้อยที่สุดก็ปฏิโปฏิกูลนี้ก็คือเท่ากับกลม ทุกขานุปัสนาปฏิกูลนะอยู่ประเภททุกขานุปัสนาพะนธ์ก็เป็นการเจริญแบบอนิจจ อ, อะไรนะทุกขสัญญาเพราะปฏิกูลนี้ประเภทโดยความเป็นเป็นทุกข์ะนะซึ่งอนุปัสนามันมีเจ็ดใช่ไหมหนึ่งอนิจจานุปัสนาสองทุกขานุปัสนาสาม อนัตตานุปัสสนาพันธ์การแสดงจำแนกลมหายใจเข้าออกลมพัดทั่วสารพางกายทั้งหลายก็คือเป็นการจำแนกทุกขานุปัสสนานั่นเองอย่างอย่างเกี่ยวกับอิริยาบถเนี่ยนะในบางคนที่เขามีปัญหาเรื่องอิริยาบถเนี่ยฟังแล้วไม่ไ ม, ไม่พอบอกว่าจะเดินทีหนึ่งเดือดร้อนมากเลยนะถ้าอย่างเราๆทั้งหลายเนี่ยสมัยที่ใช้รถไม่ค่อยมีปัญหาใะ แต่ถ้าเป็นแบบโบราณเลยแล้วเดินจริงๆด้วยมีธุระจะต้องไปกรุงเทพอย่างเงี้ยนะเดินทางกี่เดือนกว่าจะถึงหรือถ้าพูดถึงยืนเนี่ยนะถ้าเป็นบางคนที่ห้อยรถเมยอย่างเงี้ยนะคือบางอย่างต้องไปยืนยได้เวลาเข้าเวรอีกแล้วถ้าเป็นทาหารต้องยืนเฝ้า อ, อย่างนั้นนะนะได้เวลายืนอีกแล้วอย่างเงี้ย น, นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากได้เวลานั่งทุกการแล้วกันนั่งเครื่องบินไปเมกาแล้วอย่างงี้ย น, นะ เครียดเลยนะได้นอนเตรียมผ่าตัดแล้วสนุกไหมไม่ไหวเลยนะอั้นถ้าฟังคําว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยกับบางคนเนี่ยเห็นถึงความทุกข์เหมือนกับว่าจะต้องไปเดินในที่บางแห่งใช่ไหมมันก็ทุกข์นะฟังแล้วผมทุกข์มากยืนในที่บางแห่งนั่งบางแห่งแล้วก็นอนบางแห่งก็ถือว่าเป็นทุกข์แม้กระทั่งเรื่องตายเรื่องมาเนี่ยแลกและเหลวเนี่ย คูกระเยยดถ้าสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยนะฟังแล้วก็เออมันทุกข์จริงๆแม้กระทั่งเรื่องการแต่งตัวการใช้เสื้อผ้าทั้งหลายเนี่ยนะการกินดื่มเคี้ยวลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนว่าโดยรวมๆก็คือกลุ่มทุกขา์าการพิจารณาโดยความเป็นทุกข์เนื่องจากว่าไม่สามารถดำรงอยู่ในอันใดอันหนึ่งอยู่ได้อยู่แล้วใช่ ให้เดินอย่างให้อยู่แต่อิริยาบถเดินอย่างเดียวก็ไม่ได้ยืนอย่างเดียวก็ไม่ได้นั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้นอนอย่างเดียวก็ไม่ได้อย่างไปมาขาเดินเนี่ยนะแค่ไปมาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องกลับมาอีกแล้วก็ขณะที่ แ, แลเหลียวใช่ไหมไอ้มองตรงๆงไม่ได้เลี้ยวมากก็ไม่ได้หรือแม้กระทั่งคู่เหยียดนะบางกนะิจกรรมมันมันต้องคู่เหยียดใครเคยเลื่อยไม้บ้าง <stress> <c oughs> คู่กระเหียดน่ะนะโอ้ยดึงอยู่นั่นแหะทั้งวันอย่างเงี้ย แล้วคูหยียดอยู่นั่นแหละถ้าเป็นเครื่องเกี่ยวกับเรื่องแต่งตัวเนี่ยนะบางคนก็ทุกร้อนมากนั้นก็ว่าโดยรวมๆก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันเกี่ยวกับการบริหารอยู่ตลอดเวลาทีนี้ทุกเหล่านี้เนี่ยนะกิจกรรมที่เกิดการบริหารทั้งหมดเนี่ยคือคือแต่งให้อะไรว่าไปรวมๆก็แต่งอาการสามสิบสองหนไห เป็นกิจกรรมแต่งอาการ32นะว่าเราแต่ผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอันนี้ก็จะเป็นบัพภาที่3ที่พระองค์ทรงแสดงตามมานะนะก็เป็นบัพพาที่3เพราะกิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นความเป็นไปของอาการ32ซึ่งแต่ละอันก็เป็นของปฏิกูลเมื่อจบอาการ32ก็พิจารณาการ32นั่นแหละโดยความเป็นธาตุส แต่ถ้ามองเห็นอย่างนี้นะ่จะเห็นบับพาะในสิบสี่บับพาะเนี่ยนะสัมพันธ์กันเลยทวนอีกครั้งหนึ่งนะบับพาะที่หนึ่งลมหายใจใช่ไหมบับพาะที่สองลมพัดทั่วสารพางกายที่เป็นอิริยาบถบัพเพาะที่สก็คือกลมสัมปชัญญะเนี่ยนะพอที่สี่ก็มาจำแนกอาการ32พอห้าก็แบ่งเป็นท่าสี่ซึ่งซึ่งท่าสี่ก็คือพวกนี้มาจำแนกท่าสี่ตาม ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วอันจากกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพูดตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายเกือบตายก็ได้เอาก่อนตายสักหนึ่งนาทีก็แล้วกันอย่างเงี้ยเป็นการพูดตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายเพราะว่าแม้กระทั่งเกิดมาก็ต้องมีการหายใจใช่ไหมหรือแม้กระทั่งต้องอาศัยเด็กอยู่ในคันไม่มีการขยับตัวเลยไหม ก, ก็ต้องขยับนยนะก็ยังใช้จิตชา ว, วาโยธาเป็นไปกับอิริยาบดมีการคู่การเหยียดแต่ชำแนกไปแล้วก็คือผมคนเล็บฟันหนังทั้งหมดนั้นก็คือธาตุสี่ก็คือกายพนันเท่าที่ตขอมานี้ก็คงเห็นเห็นอะไรความเกิดชาติทุกใช่ั้ยชาราทุกข์พญาที่ทุกขและก็ท้ายที่สุดมรณะทุกขพอมรณะเนี่ยหลังจากมรณะพระองค์ก็แสดง ตั้งแต่ถ้าตายเป็นหนึ่งวันนะพวกนี้พอจำแนกอย่างนี้ถ้าตายหนึ่งวันเป็นยังไงต้องเขาสมัยนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเ็ามีลงน้ำแข็งแล้วลงลงแอร์คอนดิชันนะศพใช้แอร์คอนดิชันแล้วตอนนี้ก็ถ้าแบบโบราณนะ่นะตายหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันก็นางสริมากแล้วกันค่าตัวปกติแล้วก็คืนละพันใช่ไหมตอนหลัง ขายหมดตัวเลยพันเดียวก็ไม่มีใครซื้อเลยไงก็หนักๆเข้าให้ฟรีก็ไม่มีใครเอานะเพราะว่าผ่านไปก็ก็แบ่งว่าแต่ละระยะอ่ะนะถ้าสมมติว่าหนึ่งวันถึงสามวันเนี่ยถ้าไม่มียาไม่ฉีดไม่อะไรเลยอะไรจะเกิดขึ้นไหมอันนั้นแหละป่าชาที่หนึ่งเป็นบัพพระที่เท่าไหร่บัพพระที่หกเนี่ยนะเป็นเรียกว่าวินีละกะ พวกวินีละกาก็คือเป็นสีเขียวอ่ะนะมันเป็นจำ้ำเป็นจำ้ำตามตัวนี้ไม่คงสภาพเดิมละพอพอลังที่เจ็ดต่อไปมันเริ่มปริออกใชมันก็เริ่มแตกก็เป็นอะไรก็เป็นซากศพที่แตกเนี่ยนะขึ้นน้องเป็นต้นเยอะมไปหมดพอตามตามมาอีกมาพระที่แปดก็ซากศพที่อะนะ อนี่ยแปะเจ็ดเนี่ยเยอมไหลละแปดอะไรอีกก็ไปหาเอาเถอะแต่ว่ารวมรวมเนี่ยคือความเป็นไปของสรีระพอพอถึงสิบสี่นะเป็นผงเตรียมจะเป็นปุ๋ยละเป็นผงก็ได้หรือเป็นปุ๋ยก็ได้เขาบอกว่าปุ๋ยที่จากกระดูกคนเนี่ยมันก็ทำให้ต้นไม้งามดีเขาบองั้นนะยอดผักไดนะ้ยอดผักสวยสวยก็เอามาทานทานต่อ ก็วนๆอยู่อย่างนี้น sí ีคือความเป็นไปของของรูปอย่างตลอดสายเพราะฉะนั้นในกายานุปัสนาทั้งสิบสี่บพะเนี่ยก็คือชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรนามปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกโทมณสุปายาสาปิทุกขาอปเยหิสัมปโยโคทุโขคปเยหิวิปโยโโคทุโขอยมปิชังนะพัตติตัมปิทุขัง ในส่วนของรู ป, ปรขันเพราะฉะนั้นเป็นถ้ามองทั้งสิบสี่บพะจะเห็นความเป็นไปของรู ป, ปรขันก็ยังอยู่ในการแสดงอริยศัสตร์อยู่นั่นแหละก็เป็นการพิจารณารูปอย่างตลอดสายฉั้นการพิจารณาเหล่านี้ก็ทั้งภายในทั้งภายนอกอะนะเอาหมดเลยไม่ไม่เกี่ยง แต่ว่ามันไม่ให้พิจารณาง่ายๆหรอกเพราะว่าอสสาทะของรูปนี่แรงมากมายังชอบอะไรนะมานึกถึงหนังผีโบราณก็บอกว่าน้ำมันพลายน้ำมันพลายมันแรงแรงขนาดไหนก็ไม่รู้เห็นปั๊บสิบสี่บับพระพระพุทธเจ้าสอนไว้ลืมหมดเลยอ่ะ เริ่มหรือไม่ก็สังเกตดูกันแล้วกันเห็นใครเนี่ยนึกถึงเลยไมสิบสี่บัพพะในตามมำนิดเรียนมาสติปทานมาสองปีแล้วมองเห็นใครเดินมาก็สิบสี่บัพพะเลยกายานุปัสนาเพิ่งนึกได้ก็ตอนถูกถามนี่แหละหนนะอนมหลายคนอยานั้นตอนกขตาย ค, คือพวกพวกอย่างนี้มันมันอะไรในธรรมะท่านบอกว่าเหมือนอย่างว่าเหมือนเขียนยังไงจังยเสอนเอเหมือนจะเขียนไม่ถูกเหมือนอย่างว่าเธอเพิ่งเห็นสรีระ น, นะ ซากศพที่ใดที่หนึ่งไก็น้อมเข้ามาสู่กายนี่แหละว่าแม่กายอันนี้เล่าก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้อนะภายในชั้นใดสูตรของเขานะภายในชั้นใดภายนอกก็ชั้นนั้นอดีตชั้นใดอนาคตก็ชั้นนั้นอันนี้ก็เท่ากับปัจจุบันไง แสดงว่าปัจจุบันฉันใดอดีตก็ฉันนั้นอ น, อนาคตก็ฉันนั้นกลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นข้างขึ้นฉันใดข้างแรมก็ฉันนั้นตอนเป็นฉันใดตอนตายก็ฉันนั้นอย่างง้นก็พิจารณาอย่างเงี้ยกลับไปกลับมากลับมากลับไปจนจนพวกนี้เนี่ยการพิจารณานะวัตถุประสงค์หนึง่งเพื่อให้หนึ่ง อันนมิตต์สองอัปปนิหิตต3สามสญญต์อันนี้คือวัตถุประสงค์นะถ้าไม่เจริญไปจนถึงระดับนี้นะจิตทั้งหลายก็โดยปกตินะพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งสกโสมนัสของสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าอ ส, สาทะก็คืออยู่ในโลกของ อสาธาตลอดเวลาเพรา ะ, ะการพิจารณาแบบนี้นะสัตว์ทั้งหลายเขาถือว่าเป็นของแสลงเอามากๆเลยนะเพราะอะไรเพราะเพราะถือว่ามันขัดขวางต่อต่อตันหาอย่างเต็มที่เลยนะเจริญอย่างนี้ใช่ไหมหมอยุพินถ้าเจริญอย่างนี้แล้วขัดขวางต่อตันหาไหมอย่างนี้มันขวางมากทีนี้คนที่เจริญอย่างนี้ต้องต้องไม่ลืมวัตถุประสงค์เขาต้องการอันนี้คือคือต้องต้องไม่ลืมว่ามาหาอะไร มาค้นหาอะไรเนี่ยนะอันเมื่อวิจัยไปมากๆ ก, ก็อนิมิตะไม่มีนิมิตพอที่ตันหาไปวางใจในในวัตถุนั้นได้เลยเนี่ยนะไม่มีนิมิตแห่งตันหาไม่มีที่ตั้งแห่งตันหาล้วนแต่เป็นของว่างเปล่าใช่ไหมอันใครที่ตามเห็นขันทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยง ก็จะบรรลุอนิมิตตะมัคสูตรเข้าเป็นอย่างนี้นะต้องต้องไม่ลืมสูตรที่เคยเรียนกันที่ที่แล้วแล้วผ่านมาทัวอีกครั้งหนึ่งเหมือนว่าเมื่อพิจารณารูปโดยอนิจจังปัญญาที่พิจารณารูปเป็นอนิจจังนั้นเรียกว่าอนิจจานุปัสสนา อนนีจานุปัสสนาเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคอริยมรรคบรรลุนิพพานนิพพานอันนี้ชื่อว่าอ น, นิมิตตนิพพานอริยมรรคอันนี้ตัวนี้เรียกว่าอ น, นิมิตตวิโมกอ น, นิมิตตวิโมกฐานการถ้าบอกว่า การพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยเป็นการดื่มอมะตะนะทางทางทางาศาสนาเราถือว่าเป็นการดื่มอมะตะนี่ของเราเอ๊ะมันอมะตะยังไงมันปฏิกูลออกถ้าพิจารณารูปโดยความเป็นทุกข์ก็จะเป็นอะไรอ่าทุกขานุปัสสนาเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคบรรลุนิพพานเรียกว่าอัปปนิหิตนิพพานถ้าพิจารณารูปโดยความเป็น อนัตตาบรรลุวิปัสนาที่เจริญเรียกว่าอนัตตานุปัสนาบรรลุอริยมรรคเรียกว่าสาุญญาตมรรคสุญญาตวิโมกนี่นะสุญญาตวิโมกนิพานนั้นชื่อว่าสุญญาตนิพานพันการพิจารณารูปนั้นอะไม่ได้ไปพิจารณาให้อะไรที่ที่กล่าวพิจารณารูปตั้งแต่เกิดเป็นเบื้องต้นชาติพิทุก ข, ขามไม่ใช่ให้ไปจมอยู่กับสิ่งนั้น ไม่ใช่ให้ไปจมอยู่กับสิ่งนั้นแต่ต้องการให้ให้ไปสู่ธรรมชาติที่สงบดีกว่าเป็นเป็นความสุขที่ไม่มีโทษเพราะการสแสวงหาความสุขจากรูปเนี่ยเป็นมันมีโทษอ่ะก็รูปมันเที่ยงไหมล่ะไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันจะเป็นสุขได้ยังไง น, นะนะก็อย่างนักสแสวงหาความสุขจากร่างกายของตนเลยเนยะบอกเดี๋ยวบริหารมันให้ดีๆแล้วสุขภาพจะได้เยี่ยมตืนเช้ามาออกวิ่งทุกวัน ออกวิ่งทุกวันเลยนะคุณบรรจุนะเป็นยังไงคนที่วิ่งเหลือไหมเสร็จไปแล้วนะเธอก็ไม่รู้จะบริหารยังไงอะนะให้ให้มันได้รับความสุขในในกายอันเนี้ยของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยคิดว่าจะต้องบริหารมันอีกกี่ปีแล้วมันจะได้สุขอีกกี่วันมันเมื่ออย่างนั้นมันก็เลยพระ อ, องค์บอกว่าอย่าไปสแสวงหาความสุขกับสิ่งนั้นเลยเพราะมันมีโทษ ควรสแสวงหาความสุขที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งดีกว่าเพราะว่ารูปทั้งหลายเนี่ยสูตรเขาเป็นยังไงตัวหนึีงครั้งหนึ่งดุจิตวันก่อนอะนะรูปทั้งหลายมันมีภยัยถ้าไม่มีรูปอะไนระเขมังใช่ไหมปลอดภยัยเขมังก็กษน ะ, กะเกษมก็คือปลอดภยัยรูปทั้งหลายเป็นอะไรเป็นทุกข์ถ้าดับรูป เป็นสุขรูปทั้งหลายมีอมิตรเนี่ยนะความไม่มีรูปก็เป็นนิรามิตรคือไม่มีอมิตรมีอมิตรนะถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยนะมันชัดดีบอกมันเป็นเหยื่อม า, มาชอบทึกนึกถึงเวลาที่ตอนที่อยู่ที่อุบล น, นะอยู่ที่บังน้ํามูลนะอันในปลาตัวไหนที่มันขึ้นมานี่แสดงว่ามันเห็นแก่เหยื่อมันอีกไม่นานเขาจะเอาไปต้มนะ พอเห็นไก่เหยื่อบางทีเขาก็มีเขามีเชือกแล้วก็มีอะไรคล้ายๆสุ่มอเงี้ยแล้วเขาก็เป็นตะแกรงตะแกรงเขาก็มีประตูแล้วก็เอาเอ า, เอารำเนี่ยไปใส่ปลาตัวไหนเห็นไกรำนะถูกเอาไปต้มโดนมากถ้เาเป็นสมัยที่ปลาไม่ค่อยมากปลากาปลากาก็คือปลาตัวดำๆแต่ว่าตอนนี้ก็สารพัดปลาเนี่ยเข้าไปหมด มันก็คือมันมีอมิรใช่ั้ยเห็นแก่รำนิดๆหน่อยๆในที่สุดตัวเองก็ถูกต้มอีสานเครียกลานภาษาภาษาภาษาอีสานเลยนะเรียกลานคือรูปแบบมันคล้ายๆสุ่มแต่ว่ามันมีพื้นข้างล่างเขาเขาย่อนลงไปในน้ำลึก 3-40 ี่เมตรเนี่ยนะ ยอนเข้าไปลึกเลยมันเป็นค่อยๆค่อยๆสมเขาก็ใส่เชือกย้อนลงมาใช่แล้วก็ น, นี้ไปวางถึงพื้นเลยมันก็เป็นสุมมันก็มีประตูปลาเข้าอยู่มันเข้าได้มันออกไม่ได้มันเข้าไปกินเหยื่อในนั้นเสร็จแล้วเขาก็คอยไปกู้ก็เสร็จเพราะเห็นไก่รำนิดๆหน่อยๆเนีย่ยนะ เนี่ยเขบอกว่าเราทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันถ้าเห็นแก่เห็นแก่รูปเนี่ยนะซึ่งอายุมันก็ไม่ได้มีมากมายอะไรเนี่ยนะถ้าไปติดไปข้องในในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยทุกหาประมาณไม่ได้คือพระองค์ก็รู้อยู่ว่าอาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีสุกสุขมีอยู่แต่ว่ามันน้อยเกินไปที่ที่จะไปไปทุ่มเทะนะมันมันสุขระยะสั้นถ้าเมียมิตรนะยุคนี่เห็นง่ายก็คือยาเสพติด ความติดข้องในรูปไม่มีอะไรต่างจากความสุขที่เสพยาถ้าว่าเสพยาจริงๆมันก็คือพวกรูปนี่แหละเสพรูปนั่แหละแต่ว่าเนื่องจากกฎหมายไม่ยอมแต่จริงๆเนะี่ยติดอย่างอื่นแม้กระทั่งติดข้าวติดอาหารติดน้ําก็ไม่มีความต่างอะไรจากติดยาเสพติดนี่ยนะวันนี้ว่าโดยรวมๆเพียงเต่ว่ากฎหมายเขาอนุญาตก็เลยไม่เป็นไร คือเพราะว่ามันไม่ได้ก่อให้ไปเสีย ส, สีแลธรรมอย่างอื่นแต่ว่ารวมๆแล้วก็เหมือนกับติดติดยาเสพติดนั้นติดข้าวเนี่ยก็คือเล่าเอาทามาจากอะไรก็ข้าวเป็นต้นนั่นแหลนะแต่ว่าพอหมักอีกระยะหนึ่งก็ไปเป็นอีกสภาพหนึ่งนั้นก็พวกนี้เป็นอ ม, มิตรทั้งนั้นแหละก็สร้งางโรงงานสุราสร้างโรงบุหรี่เสร็จแล้วต่อไปเอกพวกนี้ก็เป็นสังขาร ถูกปัจจัยปรุงแต่งขนาดไหนรูปแต่ละรูปนะดังที่กล่าวว่ากว่าจะไปได้รูปเป็นอย่างเราทั้งหลายที่มาเป็นมนุษย์นะได้บุญขนาดไหนมามกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์อย่างนี้เนี่ยนะบุญขนาดไหนนะกว่าจะได้เป็นมนุษย์นะมีตาสองข้างแล้วก็ตําแหน่งดีไม่เอียงไม่เข้มไ ม, เเไม่เลวไม่เหลือเป็นต้นเนี่ยนะโอ้เก่งมากเลยนะกว่าจะได้ขนาดนี้กว่าจะได้หูอย่างนี้ได้จมูกได้ไปที่ไหนเนี่ยเขาไม่รังเกียจนี่ยากมากเพราะวันนี้มันมี ตัวหนึ่งตัวยาวเท่านี้แหละอะไรไส้เดือนแล้วก็มีมดตามเป็นขบวนเลยมดเยอะจริงๆอ่ะนะตามไอ้นี่มันก็ดิงกระดากระดากระดวิ่งกันนะเจ้านี้ก็วิ่งมากัดชุบจริงก็เราคิดดูนะเราอะถูกมดตัวนั้นกัดปั๊บเรายังปวดเลยอะแล้วตัวไส้เดือนแค่นี้มันจะไม่ปวดได้ยังไงกัดซ้ายกัดขวากัดหน้ากัดหลังอีกพักเดียวพิษมันก็ซ้านเต็มตัวหมดนะก็ไปไหนไม่ได้ พวกมดเล็กๆเนี่ ก, ก็ลากไปเข้ารู น, น, นะมันก็พวกนี้มันเป็นสังขารถูกปัจจัยปรุงแต่งทีนี้สังขารแบบมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย น, นะกว่าจะได้มันยากเพราะไอ้ยากๆอย่างนี้แหละสัตว์ก็เลยติดกันนักนะนะก็เลยมีเป็นสิ่งที่มีอามิตรมันผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาก็เรียบคายมันซะก่อน น, น, นะเพราะว่าเห็นเห็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งถูก ปัดใจปรุงแต่งก็เลยรังเกียจเนี่ยนะก็น้อมไปหาอสังคตะ่าน